ถ้าท่านเหล่านัา้เคารพท่านได้ผานเราก็ต้องเคารพเหมือนกันเราจะไปกักตุนในเวลาท่านผู้กราบไหว้ไว้มันก็เป็นเครื่องส่งเสริมที่หของเราเอกีก<ม>เครื่องส่งเสริมมานะทิฏฐิของเราอีกเครื่องส่งเสริมอุ ป, ปาทานของเราอีกเมื่อมือผู้อื่นพิ้นหน้ามากราบเราแล้วก็กักตุนไหวเฉพาะเราเราไม่ส่งต่อโดยเรื่อยเร็ว แล้วก็ส่งต่อโดยเร็ ว, ด, ว, ด, ว, ด, วด้วยถึงคุณพุทธธรรมสงฆ์นิพพานแม่ตัวของเราก็ปัจจนาอย่างนั้นผู้กราบว่าก็อย่างนั้นที่นี่โทษของเราก็ไม่มีมานาทิฏฐิของเราก็ไม่เพิ่มอุปทานของเราก็ไม่เพิ่มความอาหางการมามังการของเราก็ไม่เพิ่มผมไม่ค่อยหัดลืมตัว นี่ผู้กราบไหว้ผมก็นึกถึงพุทโธธรรมโมสงังโฆโอนถึงเลยใครเป็นพุทโธธรรมโมสงังโฆก็ท่านผู้คนไปแล้วเหตุฉะนั้นเมื่อผู้เมื่อมีผู้กราบไหว้ผมจึงไม่ได้ประมาทเพราะผมโอนถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผมไมาไี้กราบตูนไห้ เพไม่สำคัญว่าตนเป็นผู้สมควรถ้าสำคัญว่าตนเป็นผู้สมควรกิเลสของตอนมีมันก็ต้องประมาทมันก็ต้องอยู่ไม่สบายจิตใจมีผู้กลราบไหว้พินามาหา้เราก็พุทธธรรมสงเรายกมือใสก่ก็เพื่อพระนิพพานผู้การาบเราก็เพื่อพระนิพพานเพราะสำหรับเป็นธงเฉยๆล้าใครกับเราเห็นธงชาติ แต่ชาติไม่ได้อยู่กับธงชาติอยู่กับผู้เรากาบธงอยู่กับผู้เรากาบธงชาติมันก็เป็นผ้าสามสีแต่เป็นเครื่อนเป็นคําเตือนสติให้ตกใจคําสติตกใจหรือคําสติตกใจมันมีสองสองเครื่องหมายตกใจ ตกใจกลัวอันหนึ่งตกใจให้ร ะ, ะลึกถึงของพระคุณมันก็มีอันหนึ่งอีกเหมือนกันเป็นเครื่องหมายให้รู้จักเขาเขียนตัววอไว้นในทางโค้งของถนนรถไฟหรืออักษรที่เขาเครื่องหมายที่เขาทำโค้งไว้ในทางรถยนต์ก็ดี หรือทำเป็นไมาเหตุสะพานก็ดีตัวหนังสือไม่ใช่สะพานทางโค้งมันไม่ใช่ตัวหนังสือเป็นโคง้งสำหรับเตือนผู้เราขับผู้เราไปให้รู้จักโคง้งฉันใดก็ดีคำว่าทงชาติชาติไม่ได้อยู่ที่ทงเป็นเครื่องเตือนสติให้เราแลลึกถึงพระพุทธรูปก็เหมือนกันพุทโธไม่ได้อยู่ในที่อิทธิปูน ไม่ได้อยู่ที่ทองหล่อหรืออิดปูนหรือคอนกรีตสาหรับเตือนให้เราะ ล, ลึกถึงพระคุณของท่านมีปัญหาสอดเข้ามาว่าพระบรมศาสดาก็ชอบดอกไมก้ดอกหรือจึงเอาไปบูชาท่านท่านไม่เห็นดอกหรือทำไมถึงไปจุดไฟบูชาท่านก็บูชาพระคุณของท่าน้ดยอาเมซาบูชา บูชาในทางพุทธศาสนาก็มีสองอย่างปฏิบัติบูชาเด้อมิศะบูชาแต่ปฏิบัติบูชานั้นเลิศกว่าอมิศะบูชาแต่จะเว้นไม่ได้อมิศะบูชาเมื่อเขาเอามาให้โดยเรามาไปจี้ไปป้นเราก็ต้องบูชาเช่นพระพระเจดอย่างนี้ ท่านบูชานับเครื่องบูชาของเขาเมื่อเขาหาเอามาพระมาอะไรกระทาทรายเอาดอกบัวมาให้องค์ท่านองค์ท่านเข้าฌานแล้วท่านก็ไปบูชาท่า น, านเจ็ดเดจ้าจุละมะนีที่อยู่ดวาวดึงคนทั้งหลาย พูดประมาทอาเมสสบูชาถ้าเขาให้มาโดยชอบทำเราก็ต้องบูชาเป็นแต่เพียงเราไม่ไปนควนขวายเนรเอ๋ยไปเก็บดอกไม้มาบูชาเป็นวัดนะถ้าเทียนไม่มีก็ต้องไปหาซื้อมาบูชานะอืไม่ถูกอย่างนั้นได้มาโดยเป็นธรรมเราก็ต้องบูชา ปูชาจะปูชนียานังเอต ม, มังคณมุตตะมังเป็นมงคลของเท ว, วดาแทั้งหลายบูชาในพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นยอดของบูชาทั้งหลายเพราะคุณวิธามนาปูญญาตาโทษ ร, รวมอยู่ที่นั่นเล็คุณของท่านผู้มีคุณก็รวมอยู่ที่บูชานั้นปูชาจะปูชนียานังเอต ม, มังคณมุตตะมังเป็นมงคลของเท ว, วดาและมนุษย์ทั้งหลายบุคคลผู้มีปัญญาจะบูชาในสิ่งที่ควรบูชา ย่อมไม่บูชาในสิ่งที่ไม่ควรบูชาย่อมเคารพในสิ่งที่ควรเคารพย่อมไม่เคารพในสิ่งที่ไม่ควรเคารพย่อมปฏิบัติในสิ่งที่ควรปฏิบัติย่อมไม่ไปปฏิบัติในสิ่งนี้ที่ควรไม่ปปฏิบัติสำหรับผู้มีบูชาสำหรับผู้มีปัญญาผู้ไม่มีปัญญาผู้ไม่มีปัญญาบูชาผีบูชาต้นไม้ภูเขา คือว่ามีมีสีมีผีมีสางอยู่นั้นเขารบนับถือภูเขาบองสวงพระพุทธศาสนาบองสวงหรือไม่บวงสวงการปฏิบัติตกลงไปตกไปตกมาก็บองสวงตนเองบวงสวงตนให้เป็นคนดีปฏิบัติตนให้เป็นคนดีพระพุทธศาสนามีพัฒนาหรือไม่เป็นมหาพัฒนาเนี่ยพระพุทธศาสนาอืม พัฒนาตนให้ทํามาหา่ิงชีวิตใอทางที่ชอบพัฒนาตนให้รู้จักปฏิบัติเพื่อทางศีลภาวนาพัฒนาตนเพื่อให้พ้นจากวัฏสงสารเพราะพุทธศาสนาเป็นมหาพัฒนาเลี่ยไม่ใช่แต่ว่าจะพัฒนาในทางอามิทางปฏิบัติก็เรียกว่าพัฒนาเหมือนกันพัฒนาจิตพัฒนากายพัฒนาใจศีลสมาธิปัญญาเป็นงานของพัฒนาทั้งนั้น พวกชาวพุทธเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเลื่อมใสในศาสนาใดๆตั้งล้านๆขณะจิตก็ไม่เท่าเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาขณะจิตหนึ่งเพราะพระพุทธศาสนาเป็นยอดของศาสนาทั้งปวงในไตโลกท่าผูขาดอยู่ทุกยุค ท, ทุกสมัยทุกการทุกเวลาของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ของพระธรรมทั้งหลายของพระริยาสงฆ์ทั้งหลายความจริงในชั้นนี้ก็มไม่นีจจากความจริงในชั้นนี้เป็นจริงอย่ไม่มีกลางวันกลางคืนไม่รบเรือนไปทางไหนเป็นศาสนาที่เด่นดวงโ ด, ด, ด่งดังสำหรับของนักปราชญ์แต่ตรงมันข้ามผู้ที่เขาไม่นับถือเขาก็ไม่ว่าดวงดังดังไปในทางนี้ ดังไปในทางละบาปบำเพ็ญบุญดังจนถึงเข้าสู่พระนิพพานท่านเข้าสู่พระนิพพานแล้วเขยังดังอยู่จุกวันนี้ยังได้กราบได้วาดอยู่ดังอ่านว่าดังพวกโยนพวกขั้วไล่เขาก็ดังเหมือนกันแต่ให้ผลต่างกันในพระพุทธศาสนาก็ดังเหมือนกันแต่ว่าดังให้ผลต่างกันพระโสดาบันก็ดัง ขนาดหนึ่งพระกจาคาคามีก็ดังขนาดหนึ่งพระอนาคามีก็ดังขนาดหนึ่งพระอรหันดังอย่างเต็มที่ดังทั่วทั้งใต้โลกธาสํสำหรับผู้ไม่หูหนวกต้องฟังรู้หูหนวกในที่นี้หมายถึงปัญญาตาบอดในที่นี้ก็ถึ ง, ถงหมายถึงปัญญาผู้มีปัญญาเฉียบแหลม หรือปัญญาที่ได้สะสมมาแล้วจึงมีสติปัญญาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเมื่อคือนนี้เราลงไปตรวจยามเห็นคนหนูนั้นสวดมนต์อยู่คนเดียวก็คกๆบควับอยู่สวดมนต์ตามภาษาของเธอตามภาษาเพศผู้หญิงเป็นศรัทธาจริต ที่แร ก, ก็สมัญตายระประวาติาสุแล้วก็สวดไปจนถึงวิปัสสิทธ์เราฟังอยู่ข้างล่างเนอกเราไม่ได้อยู่เป็นเพื่อนเนอกปล่อยให้อยู่คนเดียวเพราะการอยู่ด้วยสองคนในที่แก้กับด้วยหญิงสองต่อสองเป็นปลายจิตตีแสดงทาแก่ผู้หญิงไม่มีผู้ชายอยู่เป็นเพื่อนก็ต้องเป็นปลายจิตตี นั่งในห้องกับผู้หญิงไม่มีผู้ชายอยู่เป็นเพื่อนก็<ๆ>ต้องเป็นปลายจิตีนั่งในที่แจ้งกับด้วยหญิงสองต่อสองก็ต้องฟ้าเป็นปลายจิตีถ้ามีผู้ฟ้องขึ้นนั่งในที่รับหงอคดีนั่งในที่รับตาก็ดีถ้ามีผู้ฟ้องขึ้นก็กลายเป็นอนิยตไปจิตร์นั่งในที่รับตากับหญิงสองต่อสองถ้ามีคนเชื่อได้มาพูดคุยในธรรมสามอย่างคือปลารานชิตหรือทั้งคาทิเศษหรือปลายจิตีอย่างใดอย่างหนึ่ง ภิกษรับอย่างไดให้ปรับอย่างนั้นหรือเขาว่าจำเพาะทําอย่างไรให้จับหรือเขาว่าจำเพาะอย่างไรให้จับให้ปรับจําเพาะอย่างนั้นสองภิกษุนั่งในที่รับหงกับหญิงสองต่อสองถ้าที่มีคนเชื่อได้มาพูดคุณคนโดยทำสองอย่างคงจะเป็นสังฆาทิเศษคงจะเป็นปายติติอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าภิกษุปฏิญญารับอย่างไรก็ให้ปรับอย่างนั้นหรือเขาว่าจำเพาะทําอย่างไรก็ให้ปรับจําเพาะทําอย่างนั้นนี่หมายความมานั่งเฉย ที่ไม่มีใครโจดถ้าไม่มีใครโจดนั่งอยู่เฉยเฉยก็ปรับเป็นอามัดิปาจิตติเหมือนกันนั่งในห้องกับผู้หญิงไม่มีผู้ชายอยู่เป็นเพื่อนก็เหมือนกันนั่งในที่แกล้งกับผู้หญิงสองตัวสองก็เหมือนกันนอนในที่มุงที่บางอันเดียวกับผู้หญิงแม่ในคืนแรกต้องปาจิตติก็เหมือนกันนี่ไม้ความานั่งเฉยเฉยนอนเฉยเฉยอยู่เฉยเฉยถ้าไปพูดเคี่ยวพูดเกาะพูดเคาะ ในเรื่องตาร ม, มาลงผู้หญิงฟังเข้าใจความก็ปรับอาบัติสังฆาทิสีถ้าเป็นผู้หญิงต่างชาติถ้าเป็นผู้หญิงหูหนวกไม่รู้จักคำเกี้ยวของพระที่พระเกี้ยวเป็นเชิงชู้เชิงเชิงสาวหรือเชิงเรียกเชียงในมีทุนก็ดี ผู้หญิงฟังเข้าใจความว่าพระเกี่ยวของตนแต่เกตนาของพระก็เกี่ยวก็เป็นอรรบัตรสักพาทิเศษแต่เกตนาของพระไม่ได้เกี่ยวแต่ผู้หญิงฟังผิดตีความหมายว่าพระเกี่ยวแต่ก็ไม่เป็นอีกมันขึ้นอยู่กับเกตนาสุขบุตรเหล่านี้ไม่ใช่สกิตกะไม่ใช่อกิตกะ เป็นชาคิดตะกะที่มีจิตเกียรพุลเหตุฉะนั้นจึงในระวังที่นี้เมื่อเวลาเรานั่งอยู่บรรดาผู้หญิงขึ้นมาหาเราจะทําอย่างไรเราจะหลีกอาบัตวิธีไหนเพราะเขาก็ไม่ได้แกล้งขึ้นมาหาเขาก็เข้าใจว่ามีหมูมีเพื่อนอยู่เขาก็มาเลยมาบรรดาประสบ ก, กันถ้าจะพูดกับผู้หญิง ก็ต้องยืนขึ้นพูดซะทางหนึ่งนั่งทางหนึ่งยืนเออในเวลานี้ไม่มีหมู่เพื่อนลูกห ล, กลานหลานหรือพนุหนูหรือน้องหญิงมีท่าอะไรเราจึงพูดกันไปใหม่ก็เป็นการเหมาะสมอยู่ปักเพียงอวัตถุกุตท่านั้นเดี๋ยวถ้าระมัดระวังอยู่ก็ไม่ในปักเพราะเดียมุ่งหวังที่นี่ผมเดินทางไปไปคนเดียว ผมสะพายบาทในเวลาละดูจักระจันแล้วพวกเด็กหนุ่มเขาพวกคนหนุ่มเขาไปตีจักระจันถึงผมเดินทางไปเขาผมสงสัยวันทางผมก็บอกเขาว่าผมถามเขาว่าลูกาห ล, ลาน ขนทางนี่ไปทางไหนบ้างจะไปบ้านคาําข่าจะไปที่ไหนเขาก็บอกว่าไปที่นั่นไปที่นั่นหลวงพอ่อไปที่นั่นที่นี่เราก็มาเรียนท่านอาจารย์มหาเออผมถามเขาเกิน hoc คำไม่เป็นอาวัตดอหรือท่านอาจารย์มหาสมัยนั้นเรียกว่าท่านอาจารย์ท่านถามยังไงถามหาวันทางท่านไม่มีจิตพัด ปฏิพัทธไปทางอื่นก็ไม่ได้ปรับท่านเพราะท่านไม่ได้ถามเพื่อแอบอิงกรรมมาลงเพื่อแอบกินในคําถามก็ไม่ปรับอัติของท่านเช่นว่าฉัดได้ทำแก่ผู้หญิงเกินกว่าเขาคําขึ้นไปก็หมายควาว่ารูปังอนิจจงนี่เป็นคําหนึ่งแล้วเวทนาอนิจจาอันเป็นคําหนึ่งแล้วสัญญาอนิจจาเป็นคําหนึ่งแล้วสังขาราอนิจจาเป็นคําหนึ่งแล้ว อินญาณังานิจังเป็นคำหนึ่งแล้วสัพเพธรรมาอนัตตาติทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาหรือเกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์เก็บก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์ให้เกินหกคำไม่มีบุรุษผู้รู้รรเรียงสาอยู่ด้วยแบบอบัตพาจิตติพิสุแสดงธรรมซึ่งมีแต่พระมีาเข้าอยู่ด้วยกัน เกินหกคำไปปรับอาบัตไหมเนี่ยเราอ่างผัวเขาเมียเขาอยู่ด้วยฉันว่าไม่สมควรเข้าไม่มีเพื่อนคนอื่นสิทธิสุสํสำเร็จการนั่งทแทรกซงในะกูลที่กำลังโมิโภคอาหารอยู่ท้องปฏิติมันมาในครนี้ภิกษุเข้าไปนั่งในเรือนที่มี ผัเมียเขาอยู่ด้วยกันไม่มีผู้อื่นอยู่ด้วยต้องทายจิตติมันออกมาจากข้อนี้แต่ก่อนในนวโกว่าพิกสุเข้าไปนั่งในเรือนที่มีผัวเมียเขาอยู่ด้วยกันไม่มีผู้อื่นอยู่ด้วยเป็นทายจิตติพิกสุสําเร็จการนั่งแทรกแซงในการโมเดที่เขากําลังบริโภคอาหารอยู่ทัพายจิตติมาบัดเนี้ยท่านเปลี่ยนออกมาอย่างนั้นแต่ว่ามีความหมาย ในเรื่องแทกแซงนั่นเองี่สูจไม่ได้รับอนุญาตก่อนเข้าไปในห้องที่พระเจ้าแผ่นดินเสด็จอยู่กับพมหิสี้รงปติีตินนั้นลัตละวักที่เก้าในสิทธขบทข้อหนึ่งะทำไมถึงมาให้เข้าไปเพราะบางทีท่านก็ไม่ได้มีสติท่านก็อยู่ตามธรรมชาติของท่าน ไม่ได้รับอนุญาตก่อนแต่ทุกวันนี้เขารักษาสมเด็จพระบรมรายชาอยู่แล้วฉนันจะไม่ได้รับอนุญาตถ้ารอยแต่ฟางก่อนคงจะไม่มียามมีเวรรักษาพระบรมราชาแต่ทุกวันนี้เลยไปไม่ไหวแล้วเขาไม่ให้เข้าไปแล้วเหตุผลไม่พอพระวินัยเป็นรากแก้วของมพุทธศาสนา ปารักปาราชิกสีิพข้าบทถสังคาทิ่เศษส13อันนี้ยัดสนีตเคียรปายจตี30ิปายจตีข2นปาริเทสนีย 4. เ, เียคียวัด75อธิกรณะสมถะเครื่องรังับอธิกรณ์มีเกียรปาราชิก4 ก, ก็เป็นของสำคัญ ทฤษฎีเมทุนตองปลาราชิกเมทุนในในที่นี้ก็หมายถึงสัตว์ตีระชานบ้างหมายมนุษย์บ้างมนุษย์นี่จะหมายขนาดไหนมรรคต่อมรรคไปจดกันองค์มรรคของเรากับองค์มรรคของเขาไปจดกัน ก็เป็นปาราคิกจะลึกลึดล้ด้วยเป็นปัญหาที่นอกจากนี้ไปยังมีทวานหนักทวานเบาทวานหนักก็เป็นปาราคิกเหมือนกันนะคุณมหาทวานเบาก็รักรักแร่เป็นถุนทุนนัดใจหรือหรือปาราคิกเหมือนกัน ในในเพศผู้ชายฮะยเพศสตรีก็เป็นปรายเกนะโอสังคารทีเศษนะพอจัดเข้าในกา ย, ยาสังสัะนะออต่อไปก็พิสูจพูดดวดวตัวนี้มนุษยธรรมคือทรมันยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีในตนนับแต่ปฐมชาญ ไปตลอดถึงอุปจาระนับแต่อุปจารสมาธิหรือขาดนิกะสมาธิหรืออัปนาสมาธิตนไม่ได้ก็รู้จักว่าตนไม่ได้ไปอวดอุตตริมานุสธรรมแก่เขาถ้าเขาเป็นคนต่างชาติเขาไม่เข้าใจความหมายเป็นอบัตทุนรักใจถ้าเขาเข้าใจความหมาย เขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่เป็นปัญหาก็เป็นเป็นปาราชิกถ้าเราสำคัญว่าเราได้แต่มันไม่ได้แต่ว่าสำคัญว่าเราได้ก็ไม่เป็นอาบัติเชนน่นพิกซูสำคัญว่าตนเป็นพระหรหันต์แต่ไม่เป็นพระหรหันต์แต่ก็ไม่ได้ปรับอาบัติอันนี้เพราะศิขะบทข้อนี้เป็นสิขะบทที่มีเกีตนาเหมือนกันพิชซูรักทรัพย์ ที่กินความกว้างเหมือนกันทัพ์ที่ซ่อนพาสีทุกวันนี่เขากำหนดกีบก่บา ท, ท, าทาาแต่บโบราณสมัยปัจจุบันที่นี่เท่ากันเท่าเก่าห น, นึ่งเสริง เรามีทยยาจคิดจะรับแล้วก็ไปจับยกขึ้นมาแล้วแต่เออมันจะผิดอย่างนี้ก็วางลงขาดเป็นประวิทิแล้วเพราะมีเกติ์นานของส่นภาษีสิถ้าข้ามภาษีของเราของเขาไปถ้าเป็นจูงโคเขาไปจูกระบือเขาไป ไปข้ามภาษีเราของบริสุทธิ์เหมือนกันแต่ก็พอข้ามภาษีเก้าที่สี่ของโคที่เคลื่อนของกระบือที่เคลื่อนหมีก็เป็นปลายชิกถ้าก็ไปลักโคและกระบือเขาสีนี่แต่ไม่ได้ข้ามภาษีที่ไหนพอเท่าของมันย่างถึงสีเก้าแล้วเราก็นึกว่าจะเป็นอาบัตเราก็วาง ก็ไม่พ่นปาราชิตกนปาราชิตสำคัญนะออรักษัพย์รักเปลี่ยนตีชิงวิ่งราวรักไถ่รักถอนรักทออกัพย์รักเปลี่ยนหมายความว่าเอาของตนที่ไม่ดีไปเปลี่ยนเอาของดีของเขา คือขวบวนปลาชิปเหล่านี้แหละสำคัญมากที่สุดในสถานที่นี้เขามาบอกแล้วถ้าทำอยู่ที่นี้ไม่ได้ํำเรียงเอาไปที่อื่นไม่ได้ไปซื้อขายที่อื่นกรมป่าไมเขาบอกว่าอนนีม้มอนุรมได้ตามภูมิประเทศ เขาบอกแล้วนี่ถ้า pues นําเลี้ยงเอาไปขายที่อื่นนั่นเป็นเพราะกขาเคารพศาสนาอยู่แต่ว่าเป็นแต่เฉพาะสังคมสังคมที่มีราคาไม่สูงเขาก็จํากัดเข้ากว่านี้มีไม่มีการอนุญาตเขาเอาตามสังคมอ่ะนี่ตามสังคมที่มีไม่มากแต่ห้องเราที่เอามาทํานี่มันมีพินัยกรรมอยู่ทุกขนทุกแห่ง พี่ในกรรมอะไรเพราะเจ้าของเขาเขาถือว่าเป็นของเขาเขาก็เลยขายให้พระนี่พวกเขาไม่มีมีข้าวกิ น, นเขาก็เลื่อยไม้ฝ้าผามาให้พระแล้วของเงินพระไปซื้อข้าวกิน น, นี่ถ้าเราเป็นอาบัต ก็เพียงรับของโจรเท่านั้นอบัตทุกกฎถูกไหมอเถือเถื่อธกิจก็ไม่มีเออเ่อกิจก็ไม่มีอีกเหมือนกันเถือยกิจก็ไม่มีเพราะเหตุใดเพราะเหตุเขาก็ทรงอนุ ญ, ญาตแล้เนี่ยเจ้านายเขาสงสัยอยู่ทุกวันนี้บางวัดเ น, น่เรื่อยไม่ในวัดแล้วหาอบายอไปขายทางอื่น ไปสร้างทางอื่นไปขายทางอื่นอันนี้เขาเรายังมากพวกกรมป่าไม้ที่นี่แก้งฆ่ามนุษย์ให้ตายทีนี้มนุษย์ในคันนอกคันก็ตามเมื่อตายตามความประสงค์ว่าเป็นปาราชิตถ้าทำให้ตายเป็นทุนนจัย สัง้งคาทิเศข้อทีสามนี่นี่เป็นข้อสำคัญมา ก, กพุกธสูรู้ข้อค้านองมือบวชมาใหม่แล้วมักจะไปทำาร้่องอาุกิของตนให้เคลือ่อนอันนี้ลหละสำหรับพระกรรมฐานถ้าไปอยู่ปไิวาสกรรมเรื่องอาุีกิเคลือ่อนด้วยค้านองมือ มันก็ไม่สมควรมันไม่สมฐานะของเราที่เป็นกรรมฐานถ้าเป็นพระนักเรียนหรือพระวัดบ้านก็เป็นสถานหนึ่งพ้ากรรมฐานของเรามันหยาบ ม, มากถ้าไปทำอย่างนั้นทีนี้ถ้าเราจะไปอยู่กรรมอยู่ปริวาสในภูไหนมันก็ลำบากเหมือนกันเราคอยดูถูกรูหมิ่นว่าผู้ที่อยู่ผู้อยู่เขานะั่น มันไปรอบรักษาสังฆาธิเศปรอบรักษาไวรอบพยาบาลสังฆาธิเศตไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อมักฝนเนีพยานอะไรหรอกเมื่อมีพระมาต่างทิศเราเขาไม่ได้ไปบอกวัดทีมันก็เป็นเรื่องขายหน้าสำนักอยู่ในตัวอันนี้ไม่ใช่ของของง่ายต้องระวังภิกษุผู้บวชใหม่ภิกษุเก่าก็เหมือนกันภิกษุเก่ามันก็มีกิเลสอยู่เหมือนกัน มีความกํำลังอยู่จับต้องกายหญิงต้องสังฆาทิเศษการจับต้องกายหญิงหมายถึงหญิงเกิดในวันนั้นถ้ามีความกําหนังในทางการ ม, มาลมพลาดพิงในทา ม, มาลมก็ต้องเป็นอาบัตสังฆาทิเศษมีความกําหนังอยู่พูดเกี้ยวหญิงต้องสังฆาทิเศษในษข้อพระข้อสาม น, นี่บอกตรงๆแล้วพูดเกี่ยวพูดเคาะพูดเกาะเพื่อมถทุนทั้งโยกเพื่อมถทุนเพื่อจับต้องกายถ้าเป็นหญิงต่างชาติหรือิงหัวหนวกมนุูจักภาษาเป็นทุนนจัยถ้าเขาด้ยจักภาษาของเราด้วยตรงกับเจตนาที่เราเกี่ยวเขาด้วย เขาจะชอบหรือไม่ชอบก็าตามเราก็เป็นสังขาทิเศษทิกสูงมีความกำลัดอยู่ในข้อสี่พูดล่อให้หญิงบาเรอตนโดยการเขาจะพอใจหรือไม่พอใจก็าตามแต่เขาฟังคำพูดของพระนันพระหลอกของเราให้บาเรอโดยโดย้วยดย้วยการ เขาจะพอใจหรือไม่พอใจก็ตามแล้วก็เป็นอาบัติสังฆาทิสิพูดบําเลอตนด้วยการคือพูดยังไงการบริจาคทานเนื้อหนังให้พระภิกษุสงฆ์มีอนิสงส์มากเป็นต้นเขาพอใจหรือไม่พอใจก็ตามก็เป็นอาบัติสังฆาทิสิ หญิงจำพวกนี้หมายถึงหญิงที่รู้เดียงสารข้อห้า 5, ชักสื่อให้ชายหญิงเป็นผัวเมียกันบางคนอ่านชักชื่อไม่ถูกชักชื่อชักสื่อคือสื่อสารแล้วไปเป็นเท่าแก่เขาเป็นทเท่าแกทางนั้นแล้วมาพูดให้ทางนี้ฟัง พูดทางนี้ฟังแล้วก็ไปพูดทางนั่นฟังในเวลากำลังปฏิบัติอยู่นั้นเป็นอบัตทุกกดเนี่ยเมื่อเขาไม่ได้กันเป็นทุนนจเมื่อเขาได้กันนี่เป็ น, นสังขารพิเศษเพราะรับเป็นเท่าแก่ของเขาชวนข้อหกสร้างก็ดีสำหรับสร้างส่วนตัวต้องให้มีประมาณโดยยาวเพียงหกคืบ โดยยาวเพียงสิบสองคืบนโดยกว้างเพียงหกคืบคืบพัชกคตคำว่าคืบว่าศอกว่าวาเพื่อปัสกตเพื่อทำเป็นที่อยู่ของตนต้องให้สงสดงที่ให้ก่อนถ้าไม่สงสดงที่ให้ก็ดีทำให้เกินประมาณก็ดีต้องสังขาที่สี่เวลาทำอยู่เป็นอาวัตทุกขเมื่อทำเสร็จแล้ว จึงเป็นอาบัตสังฆาทิเศษอย่างเต็มที่เกจท่าที่อยู่ซึ่งก่สร้างขึ้นนั้นมีทา ย, ยกเป็นเจ้าของจะทําให้เกินประมาณก็ได้ก็แต่ต้องให้สงแสดงที่ให้ก่อนถ้าไม่สงแสดงที่ให้ก็ดีทำให้เกินประมาณก็ดีต้องสังฆาทิเศษแปดพิสูกโกเครืองแกงเกิดพิสูอื่นโดยอาบัตปาราชิกไม่มีมูลต้องสังฆาทิเศตรักแห่งมูลนั่น คือได้เห็นเองได้ยินเองได้มีผู้บอกแล้วเชื่อว่าเป็นจริงได้สงสัยได้รังเกียจจึบบงจักความในมูลก้าวพิสูจน์กฎเครืองแก้หาเลโจด ท, ทุกสู้อื่นคล้ายกันหาเลโจท์จท น, ทน้ยกอุทหอนยกอุทหนยังไงท่านมหาเข่นชุดสุนัขนะถ้าไม่ถูกบอกนะพอลืมแล้ว มันแต่นานเช่นชุนักมันเสพสมกันอยู่แล้วไปหาว่าพระองค์นั่นองค์นี้เสพเมถุนอย่างนั้นหรือเรียกหาเรียกโจดหรือไม่ใช่ยังไม่พอยังไม่พอหรือหาหาอย่างไงหาเรียกโจ์อธิบายอาธิบายสิเนว่าเกิดมีของหายปรับ ป, ปรบุงองค์นั่นขึ้นปรัปรุงองค์นั่งขึ้น แม่ในเห็นแม่ในแม่ในรังเกียจนะแล้วก็หาเนี่ยโจกดนะทีนี้ว่าคงจะเป็นธรรมบัตสังฆาชิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ว่าเป็นป็นอะไรชิกเนี่ยว่าไม่ได้เห็นไม่ได้ยินรักแห่งมูลแห่งสามไม่มีทีนี่ข้อสิบนี่พิสูพภาพเพื่นเพื่อจะทําลายสองแตฉ ก, กัน พิษุอื่นห้ามไม่ฟังสองสอดกรรมเพื่อจะให้ละข้อเท็จผุดนั้นถ้าไมละต้องสังขาที่สี่ภาพเพียนเข้ามาภาพเพียนมันมีเกตนาอยู่เนี่ยเพื่อจะทําสงให้ตํารายสงให้แตกจากกันถ้าสงแตกจากกันตามความภาพเพียนก็เป็นพิกษุอื่นมาห้ามไม่ฟังสวดประกาศห้ามไม่ฟังเธอทําอย่างนั้นไม่ถูกไม่เหมาะนะสงมาห้ามแล้วไม่ฟังขั้งที่หนึ่งไม่ฟัง ขั้งที่สองก็ไม่ฟังเป็นทุนละใจเลยขั้งที่สามไม่ฟังก็เป็นมาอาบัติสังฆาทิเศษที่สองพิสุวายากสอนยากพิสุเอินห้าไม่ฟังสงสวรรกัมเพยจะให้ละข้ อ, อที่พืชนั้นถ้าไม่ละต่องสังฆาทิเศษการฮะอีะ่เอพิคือพูดตามพิกษุผู้ทำลายสองนั้นพราะเห็นดีตามพิกสุผู้ทำลายสองนั้น เธออย่าไปยินดีตามพิสูจผู้ทำลายสงนั่นนะสงไปห้ามปลา่าแล้วไม่ฟังครั้งที่หนึ่งเป็นทุกกดครั้งที่สองเป็นทุนละใจครั้งที่สามถ้าไม่ฟังเป็นอาบัตสังคาที่สี่ฮะเออสองสามรู ป, ปนะป เ, ปเออ สีรูปเป็นอนันตานิยกรรมถูกล้วสิบสองพสูว่ายากสอนอยากพิสูจน์หาไม่ฟังสงสดกรรมเพื่อจะให้ละข้อที่พืดนั้นทำแรมละต้องสังขารที่เศษว่ายากสอนอยากมันมีอยู่ทุกแง่ทุกมุมสงสดกรรมเพื่อจะให้ละข้อที่พืด คุณทําอย่างนั้นไม่ถูกกระเพดสมณะอย่างนี้ไม่ถูกกระเพดสมณะแล้วก็ห้ามฟางไม่ฟังขั้งที่หนึ่งเป็นทุ ก, กข์กดขั้งที่สองเป็นทุนใจัยขั้งที่สามก็เป็นสังฆาธิเศษอย่างเต็มที่ชิบสามพิสูจน์ ป, ปทุตละลายตระกูลคือประจบเครื่หัดสงลายเสียจากวัดกับว่า ต, ติเตียนสงพิสูจอื่นห้ามไม่ฟังสองศสรัทธาเพือจะให้ละข้อที่เพื่อนั้นแต่งละต้สังฆาธิเศษ คำว่าไปจบตระกูลเป็นคนรับใช้ตระกูลสารพัดทำตัวเป็นคนเลวเพราะอยากให้เขาว่าดีว่าว่าว่าตนดีเพราะหาราพายศรับใช้ส่งจดหมายหรือนำข่าวสารอ น, นั้นอันนี้สารพัดหรือปลูกต้นไม้เพื่อบาเลยเขาหรือทำอะไรเพื่อบาเลย์เขา สงก็เลยไล่เสียอนี้จากวัดแล้วกลับว่าตีเตียนสงยพิกสูจนห้ามไม่ฟังเธออย่าไปติเตียนสงสงทำถูกแล้วขั้งที่หนึ่งห้ามไม่ฟังขั้งที่สองเป็นทุนนัดใจขั้งที่สามเป็นสังฆาธิเศษสังฆาธิเศษสิบสามข้อข้อภาคเพียนเพื่อจะทำลายสงให้แตกกันเป็นจัดเข้าในอนันตาริยกรรมห้าเป็นนวัตสังฆาธิเศษ หนักที่สุดแต่ข้อหนึ่งถึงข้อเก้าต้องในเวลาที่ทําแต่ข้อเก้าถึงข้อสิบสามต่อเมื่อสงสวดประกาศสมนุภาสเสียก่อนเธอไม่ละจึงเป็นอวัติสังฆาทีเศษเป็นหน้าที่ของพระภิกษุสงฆ์จะรู้จักทั้งนั้นถึงเราจะไม่เรียนเอาชั้นอภูมิก็จามก็ต้องจำเป็นก็ต้องรู้จัก เมื่อเวลามันภาวนาอยู่มันก็ไม่เป็นคนเรากำหนดลมให้ใจเข้าออกเวลามันอยู่ปกตินั่นมันมักจะจะไปร่วมสิขาปะไหนเพราะมุสาวาสเออเพราะมุสาวาส ชานังว่าโมกขังวาพูดอวดอุฒิเมื่องสถาบันําคัญมากพระพิสุไม่ลูกอินูอินิเก่งแกได้ราบเลยศตนไม่ได้สมาธิก็บอกว่าตนได้สมาธิต้นไม่มีฌานก็บอกว่าตนมีฌานเพราะอยากให้เขาเลื่อมสายเลื่อมสายเพราะอยากได้ปัจจัยสี่นี่ข้อนี้สําคัญมากพระพิสุมักเกจ้าร่วงกันมากนะข้อนี้ถูกไหม ถ้าตนไม่ได้แต่สาคัญว่าตนได้มันก็ไม่เป็นอาบัติตนไม่ได้ก็รู้จักว่าตนไม่ได้อยู่แต่ว่าแก้มพูดเท็จอันนี้เขาสำคัญอืมเช่นพิสูจสําคัญว่าตนเป็นพระรหันต์แต่ไม่ได้เป็นพระรหันต์ พระสําคัญตนเช่นพระอุลุเวลกัษปะเป็นตน้นทุ่มเทียงเกีย ง, งอนกับพระบรมศาสนาอยู่นะั่นแต่ท่านยังไม่ได้บวชนะพระพุทธศาสนาอย่าจากท่านเป็นปราชิกก็ไม่ได้ <c oughs> ท่านเป็นรัฐที่อันหนึ่งท่านก็ยืนยันต่อพระบรมศาสนาถึงอย่างนั้นก็ไม่เป็นพระธานเหมือนเราถึงอย่างนั้นก็ไม่เป็นพระธานเหมือนเราทิฏฐิเก่งเหมือนกันพวกเนี่ยพระบรมศาสนาเอาลงเลยอ <c oughs> พันสามองค์ เอ็อาทิตตะปริยา ย, ยสูตรให้ฟังแล้วลงเออยลงสำเร็จพระหรันที่นี่ด้านปริยัติที่นี่ปฏิบัติปฏิเวทที่นี่สิกขาบทของพระในอาบัตทุกกทที่มาในบุพพประโยคของปารายคิดเนยะมันมีมาก ในมุมาบุพภะประโยคของสังฆาทิเศตก็ไมีมากมาในบุพภะประโยคของปาจิตติก็มีมากปาจิตติข้อสิบสองสิข้าบทนะั่นที่มาในมหาขันธกะนั่นก็มีมากเหมือนกันที่มาในมหาคันธกะนั่นอภิสมัยจารย์เป็นธรรมเนียมของภิกสุวร มันก็มีทั้งสามเณรด้วยนะเสีเยเควัดเจ็ดสิบห้ามาในพระปาฏิโมกข์หมายถึงสมมเณรด้วยภิกษุพึงทำความศึกษาว่าถ้าเป็นสมมเณรก็สามเณรพึ่งทำความศึกษาว่ า, า, เ, เ, เ, ว า, า, วาเราจากนุ่งห่มให้เรียบร้อยเราจากเสื้ได้ดีเดินหรือนั่งในบ้านเราวางมือเท้าได้ดีหรือเดินหรือนั่งในบ้านมีตาทอดลงในบ้านแกงแขนในบ้านนี่หมายความว่า ท่านสอนให้มีสตินั่นเองเดินกระโยงเท่าในบ้านถ้าเป็นคนข้ากระจอกน้ำปักน้ำยอกนั่นยกไหวแต่คนกระจอกมาในแต่คำเนิดท่านก็ไม่ทรงให้บวชเหมือนกันถ้าเป็นใหม่ก็จำเป็นแล้วถูกไหมคุณหมอม ที่นี่เรื่องภาวนาทีนี่เราจะเอาศีลเราจะเอาสมาธิรวมลงในภาวนานี่ภาวนาอ่านว่าภาวนาภาวนานี่จะแปลได้อายะยสมาธิก็เรียกว่าภาวนาวิปัสสนาก็เรียกว่าภาวนาจะว่าปัญญาอบรมสมาธิก็ถูกจะว่าสมาธิอบรมปัญญาก็ถูก จะว่าศีลอบรมสมาธิปัญญาก็ถูกจะว่าสมาธิและศีลอบรมจะว่าปัญญาและสมาธิอบรมศีลก็ถูกเพราะศีลสมาธิปัญญามันเป็นของกลมกลึมกันอืผู้ที่ไม่มีปัญญาก็รักษาศีลไม่ได้ผู้ไม่มีปัญญาก็รักษาสมาธิไม่ได้เหตุฉะนั้นปัญญาก็ต้องมีอยู่ทุกหมวดทุกหมวดทุกหมวดเป็นหัวหน้าอยู่เสมอเสมอ ทีนีสติก็ต้องมีอยู่ทุกหมดทุกหมดทุกหมดเป็นหัวหน้าอยู่เสมอถ้ามีสติตอนไหนๆตอนนั่นก็มีปัญญาถ้าไม่มีสติตอนไหนๆตอนนั่นก็ไม่มีปัญญาแต่สติในทางพุทธศาสนาหมายถึงโลกุตละสติเป็นต้นไปโลกิยะสติเช่นอย่างนี้เช่นเขาขับรถอย่างนี้แล้วจะจัดเป็นสติไหมอ่ เขาเรียก้ายและขวาก็จัดเป็นสติเหมือนกันแต่ท่านไม่เอามาปารบพูดเพราะไม่จำเป็นเพราะไม่เป็นเรื่องพรมจิจนร์เบื้องต้นสติในที่นี้ไหมถึงสติกํากับอยู่กับศีลสมาธิปัญญาของเราเพื่อจะพ้นทุกข์ในวารสงสารเท่านั้น นักโมยเขาก็มีสติเหมือนกันถ้าจะพูดอย่างนั้นมันก็ไม่มีที่จบสิ้นมีปัญหาสอนเข้ามาว่าคำว่ า, าพุโทโธคำเดียวจะครบใจจิต ด, ดกหรือไม่มันก็ครบถ้าเราอธิบายเป็นพุโทโธสอนให้มีศีลสอนให้มีสมาธิสอนให้มีปัญญา ทัพโมก็เหมือนกันสังโฆก็เหมือนกันอันเดียวกันพุโทโธสอนให้เกิดให้เห็นความเกิดเป็นทุกความเก่เป็นทุกความตายเป็นทุกพุโทโธสอนให้เห็นภายในวัฏจาทรสงสารพุโทโธสอนไม่ให้ประมาทในคนเบดามาันดาปุยาตาทวดไม่เห็นไม่สอนไม่ให้ประมาทในท่านผู้มีคุณพุโทโธกินความกว้าง จนถึงแปดหมี่พันพระธรรมขันธ์มากไปกว่า น, นั้นอีกด้วยเนี่ยะนั่นคุณของพุทโตจึงไม่มีประมาณเมื <S <s ่อ<ย>คุณของพุทโตไม่มีประมาณคุณของธรรมโมก็ไม่มีประมาณคุณของสังโฆก็ไม่มีประมาณถึงจะยรอ์นลงมาเป็นพระมิสุทธิคุณปัญญาคุณพระมหาการุณาคุณก็ตามแต่ก็เป็นคุณอันใหญ่หลวง คล้ายๆกับแผ่นดินจะเอามารวมไว้ที่แห่งเดียวกันก็ไม่ไม่น ม, มีที่วางที่ไหวเหมือนกันพราะมันมากคล้ายกับลมจะเอามารวมไว้ที่แห่งเดียวก็เหมือนกันแต่ดินหน้าไฟลมยังมีประมาณอยู่คุณของพุทธธรรมสงฆ์ไม่มีประมาณเฉยเลยก้มกืนกันเป็นกองทัพเป็นกองพลเป็นเชือบสามเกลียวผู้มีปัญญาน่อยก็มองเห็นน้อย ผู้มีปัญญามากก็มองเห็นว่าบางท่านที่ารณาว่าบางท่านกล่าวตู่ว่าการภาวนาพุทโธพุทโธเป็นกรรมฐานต่ํามันไม่ต่ําและปัญญาของเราต่ํามันก็ต้องต่ําพุทโธแท้ไม่ต่ําพุทโธไม่สอนไม่ให้มาเกิดมาเกะมาเก็บมาตายไม่สอนให้โลคให้กรดให้ลงสอนให้เห็นภายในวัฏสงสารสอนให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสอนให้เห็นสปนลกายเป็นของป่วยเนา่าเป็นของไม่มันคงกีรังยั่งยืน เป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของสกปรกโสมมพุทธโธทางอ่านสอนพุทธโธสอนทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาทั้งมิมุติวิสุทธินิพพานพุทธโธคำเดียวขยายออกกว้างเหมือนกันเทศคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ร้อยปีพันปีมันก็ไม่จบเรานั่งอยู่เดี่นี่ก็เพราะคุณของพุทธโธ ธโมคุณสังโฆเหมือนกันกุฏิวิหารขององค์ท่านหมดผ้าหฮมที่เราหฮมกระดูกของเราอยู่เดี๋ยวนี้เขาก็ เ, าเห็นแก่หน้าข้าซื้อพุทธโทธโมสังโฆเหมือนกันเขาเอามาให้อาหารที่เรากินออกถ่ายออกเหมือนกันถ่ายใส่ช่วมใส่ห้องของพุทโธอาบน้ำใส่ห้องของพุทธโทธโมสังโฆนอนวัดของพุทธโธธโมสังโฆสุบบุรีของพุทธโทธโมสังโฆ ไม่ขีดไฟลูกหนึ่งก็เป็นของพุโทโธธรรมโสังโฆเพราะเขาเห็นแก่หน้าคาซื้อเขาจึงเอามาให้ไม่มีประมาณพูดระลึกถึงของคุณพุโทโธธรรมโสังโฆไม่มีประมาณยักษ์ขาโจราที่สัมภาวะขณ น, นานาจมุตตานางเอวัมพุทังปริตตันรมพนามเฮ เอวคมุตดทางสรลันจานัง่งธรรมังสังคัญยพิกโกพยังวาพยังคงแปลว่าภายัยถ้าไม่ถูกท่านมหาต้องอธิบายจำพิตตางวาโลมหฮังโซนเหตุสติติเพื่อได้ลึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่อันใดอันหนึ่งก็ดีภัยก็จะไม่มาหาเหตุที่จะเกิดไัยก็ไม่มาหา ผู้จเจริญพุทโธพุทโธอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนผู้นั่นเขาเป็นพระสวสดาบันแล้วเขาตื่นดีแล้วพระบระมศาสีราคิดใจเขาเป็น อ, อาจารและศรัทธาแล้วเขาเป็นพรหมจรรย์เบื้องต้นแล้วเขาถึงถึงใตชนะคมถึงกระแสพระนิพพานาแล้ว มุกคนผู้ภาวนาพุโทโธพุธโทโธถ้านอนฝันร้ายไปมักจะเห็นพระมาช่วยเหลือธโมก็เหมือนกันสังโฆก็เหมือนกันภาวนาสังโฆก็เกี่ยวกับพุโทโธด้วยเกี่ยวกับธโมด้วย ให้ถือว่าถ้าภาวนาสังโฆสังโฆอย่างนี้ก็ดีก็ให้ถือว่าธรรมโมและพุทโธอยู่ที่นั่นถ้าจะภาวนาว่าธรรมโมธรรมโมก็ให้ถือว่าพุทโธและสังโฆอยู่ในที่นั่นเพราะเราป่ารบเพียงอักรยอ่ออย่าไปสงสัยเช่นเราพิจารณาอ น, นิจจังอย่างนี้ก็ให้เข้าใจว่าทุกครั้งกับอนัตตาก็อยู่ที่แห่งเดียวกันอยู่เป้าอันเดียวกัน ถ้าเราจะเรียงก็อย่าสงสัยจะไม่เรียงจะว่าคําเดียวก็จะบริกรรมคําเดียวจะเห็นชัดคําเดียวก็อย่าไม่ไม่ต้องสงสัยเช่นเราพิจารณาความแก่อย่างนี้เราอย่าเข้าใจว่าความเก็บความตายอยู่ที่อื่นก็อยู่ที่สกลละกายนี่เองถ้าเราพิจารณาอณิจจังก็อย่าเข้าใจว่าอานิจจังอยู่ที่อื่นก็คือตัวหนังหุ้มอยู่ในรอบนี่เอง ถ้าเราพิจารณาทุกครั้งเหมือนกันเราพิจารณาอันใดแล้วไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เราพิจารณาอยู่อดีตอนาคตมีในปัจจุบันทางนั้นถ้าเราเข้าใจว่าสิ่งที่เราพิจารณาอยู่ยนั้นอยู่ในอดีตอนาคตเราก็ไม่พ้นสงสยัยพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ ล่วงไปแล้วก็ตามคําสอนขององค์ท่านมาในล่วงไปไหนกลมกลืนกันอยู่ล่วงไปแต่ก็ก็แต่ส่วนคันห้าของท่านหรือส่วนท่านดินน้ำไฟลมหรือสั ง, สงขารวิญญาณเท่านั้นทําคําสอนของพุทธเจ้าเหล่านั้นสอนไปกกลืนกันอยู่มีอยู่ทุกการเราเริ่อมใสในพระพุทธศาสนา พระโคตก็เท่ากับว่าเริ like, ่อมใสในพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งอดีตด้วยทั้งอนาคตด้วยทั้งปัจจุบันด้วยเรารักษาสินห้าในพระโคดมก็เท่ากับว่ารักษาสินห้าในพระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยเพราะเป็นธรรมันเดียวกันเราภาวนาพุทโธแต่เฉพาะน้อมถึงพระโคดมก็เท่ากับว่าภาวนาพุทโธในพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยเพราะลวงลองอันเดียวกัน เราถึงพระสวสดาบาลเราถึงคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิก็ให้เข้าใจว่าคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปนาสมาธิของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหมือนกันอันเดียวกันเหตุนั้นเพื่อเราจะเพทงโทษจะกล่าวตู่พระพุทธเจ้าทั้งหลายว่าจะคอยไปมรรคผลนี่ผ่านกับพระเจ้าองค์นั้นกับพระเจ้าองค์นี้ไป ไปสวรรค์นิพพานกับองค์ไหนๆก็ไปอยู่กับทุกพระองค์ทุกๆพระองค์รวมกันอยู่แล้วเปเพราะเป็นคําสอนอันเดียวกันเราจะกรีบเกลือในวันนี้มันก็เค็มในวันนี้จะกรีบเกลือในวันพรุ่งนี้ก็เค็มในวันพรุ่งนี้ก็มีความมีรสชาติอันเดียวกันผวงปณทุกในวัดตาสงสารปัญหามันไม่มีมากพระยศพระพุทธเจ้าทั้งหลายลงมาในปัจจุบันแี้ เพราะย่นพระธรรมทั้งหลายลงมาในปัจจุบันแล้วย่นศีลย่นสมาธิทั้งหลายลงมาในปัจจุบันแล้วเราก็ไม่ต้องสายหาทีนี่เพราะเราภาวนาฝ่ายสังกหูถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่พ้นสงสัยถ้าความสําเร็จมันจะอยู่ในการกับขยายสิ่งเดียวโดยไม่ย่นมันก็ไม่ถูกเราจะย่นก็ไม่สงสัยจะขยายก็ไม่สงสัย เราจะพูดคําเดียวก็ไม่สงสัยเราจะพูดไปวันยังค่าก็ไม่สงสัยไม่สงสัยเพราะเหตุใด<ม>ถ้าเป็นคําเก่าเพราะเป็นอันเดียวกันพวกที่พิจนาอานิจจังเห็นอะไรในโลกทั้งอดีตทั้งอนาคตก็ต้องน้อมลงมาเป็นอานิจจังหมดเสมอหน้ากองถ้าอย่างนั้นก็แสงตนเองปัญหาก็มากผู้พิจรนาความตายเป็นอารมณ์ ทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันก็เสมอหน้ากองกันถ้าอย่างนั้นจิตก็ไม่ลงไม่เชื่อผู้พิจารณาทุกข์มองทั้งโลกทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันก็เห็นทุกเสมอกันเหมือนหน้ากองถ้าอย่างนั้นจิตก็ไม่รวมก็เกิดสงสัยอีกละผู้พิจารณาอนัตตาสิ่งที่ไม่ใช่สารไม่ใช่บุคคลก็คือรูปขันนามขันของเก่านั่นเอง เห็นในปัจจุบันชัดอดีตอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยทีนี้เพราะเอามารวมในปัจจุบันให้ชัดแลว้วถ้าเราเห็นความตายในปัจจุบันความตายในอนดีตในอนาคตเราก็ไม่สงสัยแล้วก็บอกว่าเสมอหน้ากองกันเราจรึงจะสิ้นความสงสัยในวัฏฏะสงสารมิะนะนแล้วอุบายเบื่อหน่ายคายเมาในวัฏฏะสงศารของเราก็ไม่มี เพราะเราสงสัยอยู่ทุกกายทุกใจก็มารวมอยู่ในไตโลกธาตุพระนิพพานไม่ได้ไปรวมอยู่ด้วยใครจะอวดประเสริฐเร่ร่ำสักเพียงไหนก็าตามเมื่อกิเลสยังไม่มีความเบื่อหน่ายใครเมาในวัตฏะสงสารนั่มันก็อวดทุกข์ของตัวนั่นเอง ใครจะอดร่ําอดรวยอดอะไรก็ตามเถอะอถ้ากิเลสยังมีเต็มอยู่แล้วก็จะเที่ยวมาเกิดแก่เก็บตายอยู่นี่เองเพราะพืชมันยังไม่ดับอุบายใดที่จะเบื่อหน่ายใครเมาในวัฏสงสารก็เห็นวัฏสงสารเต็มไปด้วยลุ่มฐานเพลิงทั้งภายนอกและภายในภายไกลและภายใกล้ไม่ลาเอียงเลย เมื่อเห็นวัฏสงสารทั้งภายนอกภายในตลอดถึงสกลแกายเราและสกลแกายพูออกก้อื่นและธาตุอื่นธาตุโลกโลกคือมูสัตว์โอกาสโลกโลกคือแผ่นดินมนุษย์โลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้เทวโลกได้แก่ฌาตามาพจนลชั้นพุทธโลกได้แก่รูปประพมสิบภชั้นกับอาลูประพรมสี่ชั้น อยู่ใต้อำนาจเกิดขึ้นแล้วได้แปรปวนได้แตกสลายอย่างนี้เราเห็นชัดอยู่ไม่มีการกลางกินเห็นชัดพร้อมกับลมหายใจเข้าออกด้วยเห็นชัดพร้อมกับขณะจิตที่นึกขึ้นด้วยเยตสิษ์ที่นึกขึ้นด้วยเกจะตะศิษจะนึกวันยังค่ําก็มีเกิดมีดับวันยังค่ํานั่นเองเป็นรอบๆอยู่เหมือนกันขณะจิตที่นึกคิดอะไรก็มีทั้งเกิดทั้งดับทั้งแปรปวนอยู่ในขณะนั้นเอง นี่เรียกว่าอานิจจังอันละเอียดเมื่ออนิจจังอันละเอียดก็ทุกข์ก็อันละเอียดสัมปยุติอยู่นั่นด้วยสิ่งที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่พวกคลก็สัมปยุติหยุดยนั่นด้วยอยู่ในเป้าอันเดียวเพราะเป้ารูปเป้านามนอกจากรูปนามไม่มีอะไรจะสมมุติเป็นเป้าได้หรอกพระนิพานไม่สมมุติเราเป็นเป้าเพราะไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายอืม สุญเตาวิโมะอันนี้มิตตามโมะอปะนิหิตตามิโมกสุญเตาสมาธิอันนี้มิตาสมาธิอปะนิหิตาสมาธิพระสมาธิไม่มีผู้ปไปยึดมัน่นสมาธิว่างอย่างเต็มที่สิ่งไหนที่ไม่มีมมผู้ปไปยึดมัน่นเอาเป็นเจ้าของสิ่งนั่นก็เป็นของว่างถ้าอย่างนั้นก็ศูนย์ที่ไม่มีผู้ไปยึดถือเอาศูนย์อีกก็ยิ่งว่างลึกลงไปอีกทีนี่ เขามาทำคิดให้ว่างทําิดให้ว่างพูดมักง่ายผู้รักษาศีลห้าให้บริบูรณ์ <c oughs> เขาก็เรียกว่าว่างจากเวียนไพเหมือนกันผู้เป็นคณิกายสมาชิกอุปจารสมาธิก็ว่างไปแต่ละอย่างละอย่างพูดถึง อ, อัปนาสมาธิก็ว่างไปแต่ละอย่างละอย่างพูดถึงปฐมวิชารก็ว่างจากกิเลสไปแต่ละอย่างละอย่างจะตอตลอดถึงจเจตจุติฌาน ตลอดถึงอาการสารัญใจยตนะวิญญาณัญจา ย, จายตนะอจินนี่มัสัญญาณาสัญญายตนะ ก, ก็เหมือนกันก็ว่างไปคนละอย่างละอย่างทีนี้คําว่าจิตว่างผู้ที่เขาสร้างบาปทีนี้จิตเขาเขาว่างจากบุญแต่ว่าบาปมันไม่ว่างทีนี้พูดง่ายๆมันไม่เข้าใจต้องพูดให้ละเอียด ทนี้จิตว่างในพระรหันนั่นว่างไม่มีกิเลสจิตว่างในพระสวสดาบานว่างจากพยาบาศวิหิงสาความเบียดเบียนว่างจากกา ม, มารมในส่วนอยากมันนั่นเป็นโลคุตระแล้วจะจัดเป็นสาปาทิเสสนิพานก็ถูกแต่ยังไม่เต็มที่สาปาทิเสสนิพานจะเต็มที่ก็ขึ้นอยู่กับพระรหันนี่ แต่เป็นสาปาทิเสสนิพานเป็นเอกเทศไปยังไม่บริบูรณ์ยังเป็นสันตรีอยู่ชั้นตวาอยู่ถ้าถึงพระรหัสและสะ้วสาปาทิเสสนิพานเป็นชั้นเอกแล้วนั่นว่างอย่างเอกแล้วนั่นว่างจากส ก, กบุคคลตัวตนเราเขามันมีกิเลสเลย คนทั้งหลายมักพูดง่ายว่าทําให้คิดว่างทําให้คิดว่างไม่รู้ว่าว่างจากในไม่รู้ว่าความว่างนั้นอยู่ในชั้นไหนพวกเขาทำบาปเพราก็ว่างอยู่เหมือนกันเพราะเขาว่างจากบุญเขาไม่มีบุญเลยคนก็มักพูดเหมือนกันสันต en ิโกเห็นเองอออืการโกไม่มีการไม่มีไม่นะ ผู้เขาไปจับไฟก็ไม่มีการไม่มีเวลาเหมือนกันมันก็ร้อนเนี่ยผู้เขาพยายามรักเขาก็ไม่มีการไม่มีเวลาเหมือนกันเขาก็พยายามอยู่ออกเหมือนกันสันทิฏฐิโกในทางพุทธศาสนาหมายถึงพระโสดาบันเป็นต้นไปจึงมีขอบเขตถ้าอย่างนั้นก็ฟันฝือยโอปันยโกประจ้าตังก็เหมือนกัน แกก็แกอย่างเปิดเผยเก็บก็เก็บอย่างเปิดเผยตายก็ตายอย่างเปิดเผยไม่มีที่รับทุกก็ทุกอย่างเปิดเผยไม่มีที่รับเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนนันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราดอกก็อย่าพากันห่มผ้านี่ก็ต้องห่มผ้ากันทุกข์ไว้ถึงจก่ใช่เราหรือไม่ใช่เราก็ตามจำเป็นก็ต้องห่มผ้า ถ้าอนัตตาไม่มีขอบเขตแล้วถ้ารุดหรุยรองกบต้องไม่น้องนุ่งละอนัตตาไม่ต้องโุ่งนุ่งมันละเออปล่อยไว้ อ, อหิวข้าวก็ไม่ต้องกินมันละอนัตตาปวดอุจจาระก็นอนขี้คาที่เลยอนัตตาอันเรียกว่าอนัตตาไม่มีขอบเขตอนัตตาพีบ้าอันนั้นอัตตากับอนัตตาไม่ได้แย่งกันหรอก อัต า, า ต, ออตาสิ่งที่บาปก็ต้องเว้นอนัตตาสิ่งที่บาปก็ต้องเว้นอัตาสิ่งที่เจริญก็ต้องควรปฏิบัติอนัตตาก็เหมือนกันอนัตตาทุกเป็นของกาหนดรู้อนัตตาสมุทัยก็เป็นของละอนัตตามักเป็นของทำให้เกิดให้มีอนัตตานิโรธเป็ น, ปนอนัตตาที่ควรทำให้แก้ง พิจารณาอะไรลงถึงอนัตตาได้หมดพิจารณาพุทธคุณก็ลงถึงอนัตตาได้เหมือนกันอนัตตาคุณที่ไม่มีประมาณที่ไม่มีโทษมีแต่คุณลุนร้วนถ้าพิจารณาอนัตตาโทษก็ไม่มีประมาณเหมือนกันจนถึงมหาวิจีนรกโกโลลุละวันนรกเอก อั ต, ตาก็เหมือนกันเหตุฉะนั้นอั ต, ตาและ อ, ตตาอนาตาไม่มาเป็นสงครามกันผู้ไม่เข้าใจในอั ต, ตาและอนาตาจึงเป็นสงครามกิเลสของตนเองเป็นสงครามกับความโง่ของตนเองหลงตนเองสิ่งทั้งหลายไม่ได้มาหลงเราด้วยเราไปหลงสิ่งทั้งหลายไม่รู้จักสิ่งทั้งหลาย